ตลอดกาลท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หทธันวาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ ให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจมีความเชื่อในการตัดสินของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้า เป็นพระอาหารหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสั้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็น คำสอนที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมเป็นธรรมะคำสอนที่สามารถพิสูจน์เห็นได้ไม่ได้ให้เป็นไม่ได้เป็นคำสอนที่ให้เชื่อแบบไม่มีการพิสูจน์เป็นคำสอนที่เป็นอมะตะคืออากาลิโก ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดคุณภาพผู้ใดสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถรับผลได้ไม่เหมือนกับยาหรืออาหารที่มีวันเวลาหมดอายุหมดคุณภาพพอถึงเวลาวันที่เขาเขียนไว้ว่าหมดอายุวันนี้ถ้าไปบริโภค ก็จะไม่ได้รับประโยชน์หรืออาจจะได้รับโทษแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกเป็นคำสอนที่ไม่มีวันหมดอายุเป็นคำสอนที่มีประโยชน์มีผลในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนอยู่และยังเป็นผลอยู่ในสมัยปัจจุบันไม่มีความแตกต่างกัน ผู้ใดสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็ย่อมได้รับผลเช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติในสมัยพระพุทธการนี่คือความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเชื่อในพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อว่าท่านก็เป็นผู้ที่ได้ ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องและได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุนี่คือสาระที่พึ่งของชาวพุทธเราถ้าพวกเรามีสาระคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลา เราก็จะมีที่พึ่งที่จะปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ถูกความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมาเหยียบย่ำทำลายดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องน้อมเอาที่พึ่งนี้มา สู่ใจโดยการศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ <Okay. S 1> เพราะการมีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเพียง <Okay. S 1> เหมือนกับเราเชื่อหมอเชื่อยาว่าเป็นหมอที่เรียนจบปริญญาและเชื่อยาที่หมอให้เรารับประทานว่าเป็นยาที่จะรักษา โรคของเราให้หายขาดได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหมอหมอบอกให้ทำอะไรเราก็ไม่ทำหมอบอกให้รับประทานยาเราก็ไม่รับประทานยาอย่างนี้เราก็จะไม่มีทางหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนหมอพระทรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจถ้าเราไม่น้อมเอายาคือคำสอนของพระพุทธเจ้ า, านี้มาปฏิบัติที่ทรงสอนให้ทำดีทั้งทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาปทั้งปวงและให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลกความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ ถ้าเราเชื่อเฉยๆโดยที่เราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่เห็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าจะเห็นคือจะพบกับความสุขและจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างพวกท่านทั้งหลายก็มีความเชื่อ แล้วก็กำลังปฏิบัติตามกันอยู่วันนี้ท่านก็มาทำบุญให้ทานนากับข้าวกับปลาอาหารของขาวของหวานต่างๆมาถวายพระถวายเงินถวายทองเพื่อทำนุบำรุงดูแลวัดวาอารามให้เป็นที่สำหรับมาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมกัน อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วและผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ก็ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของท่านคือใจของท่านจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความภูมิใจมีความโลภความอยากน้อยลงไปมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงไปมีความยึดติดในเข้าของเงินทองน้อยลงไป ถ้าท่านไม่ได้ทำบุญให้ทานท่านจะมีความยึดติดในข้าวของเงินทองมากเวลาที่สูญเสียไปนี้จะมีความทุกข์ใจมากเช่นสมมติว่าเงินของท่านที่ท่านจะซื้อของมาถวายพระในวันนี้ถ้าถูกขโมยไปถ้าท่านเป็นคนที่เคยทำบุญให้ทานอยู่อย่างสม่าเสมอท่านก็จะรู้สึกเฉยๆก็คิดว่าเป็นการทำบุญไป คือแทนที่จะมาวัดก็ไม่ต้องมาให้เสียเวลามีคนไปรับบุญรับทานที่บ้านของเราเลยอย่างนี้เป็นต้นใจจะไม่ใจจะไม่โกรธจะไม่เสียใจแต่ถ้าไม่เคยทำบุญให้ทานเลยถ้าใครมารับมาขโมยเงินทองไปแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆก็จะ ก, ก็จะเกิดอาการเสีย อ, อกเสียใจเกิดอาการโกรธแค้นขึ้นมา เพราะไม่เคยให้นั่นเองไม่เคยตัดไม่เคยละมีแต่ความยุดติดแล้วก็มีความโลภอยากที่จะได้มากเพิ่มขึ้นไปเพราะใจขาดอาหารคือบุญนี้เองบุญที่เกิดจากการให้ทานนี้เป็นเหมือนอาหารของใจถ้าเราทำบุญอยู่บ่อยๆแล้วใจของเราจะมีความอิ่มจะไม่รู้สึกว่าต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ มาบำรุงบำเลอแต่คนที่ไม่เคยไม่ชอบทําบุญนี้มักจะต้องไปหาสิ่งอื่นมาบำรุงบำเลออยู่เรื่อยๆคือไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิล้นกายซึ่งไม่ได้เป็นอาหารของใจแต่เป็นยาเสพติดของใจเพราะว่าเสพได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรไ ด, ได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังมากน้อยเพียงไร ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอต้องกลับไปหามาเสพเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอาหารตาอาหารหูนี่ไม่ใช่เป็นอาหารของใจแต่ปัญญาเสพติดอาหารของใจก็คือทานหรือบุญที่พวกเรามาทำกันนี่เอง่อางนั้นขอให้พวกเราจงมีความเชื่อว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้มีคุณมีประโยชน์แก่ใจของเราอย่างแท้จริงและขอให้ปฏิบัติมากขึ้นไปขณะ น, นี้เราทำบุญในระดับนี้ถ้าเราอยากจะได้ความอิ่มเอิบความสุขใจเพิ่มมึกมากขึ้นไปกว่านี้เราก็ต้องทำให้มากไปกว่านี้ถ้าเรามีเงินทองข้าของที่เรารู้ว่าเราไม่ต้อง มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเขาเก็บไว้ก็จะเป็นภาระไปประปาเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาเป็นภาระเป็นความห่วงใยถ้าเรานำเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นก็จะทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขและเราก็ได้รับความสุขเวลาเราช่วยเหลือใครให้ความสุขกับผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมา หาเราดังในคำพูดที่พูดว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะมาหาเราให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นก็จะมากับมาหาเราถ้าเราไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นผู้อื่นใจของเราก็จะไม่สบายใจจะกะวลกวยจะกังวลกลัวจะถูกเขามาล้างแค้น มาจับเราไปลงโทษนั่นเองแต่ถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นทาแต่ความดีทําแต่ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราจะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะเรารู้ว่าการทำความดีนี้ไม่ได้ไปสร้างความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทให้แก่ผู้อื่นไม่ได้สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ไม่มีความรู้สึกที่จะโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเรา กลับจะมีความรู้สึกชื่นชมยินดีมีความขอบอกขอบใจแล้วถ้าในโอกาสข้างหน้าถ้าเขามีมีมากกว่าที่เขาจะใช้ได้เขาก็จะต้องคิดถึงเราก่อนก่อนที่เขาจะคิดถึงผู้อื่นเหมือนกับเราเวลาเราเดือดร้อนมีใครมาช่วยเหลือเราพอเรามีความสุขมีความร่ำรวยขึ้นมาเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่น เราก็ต้องคิดถึงคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราก่อนเราอยากจะตอบแทนบุญคุณให้แก่เขาดังนั้นการทำความดีนี้จึงมีแต่ผลดีทั้งในปัจจุบันก็คือทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจมีความภูมิใจแล้วก็ทำให้เราไม่โลภไม่อยากหรือไม่ยึดไม่ติดกับข้าวของเงินทองต่างๆ แล้วก็ทำให้ผู้ที่เราช่วยเหลือนั้นเขามีความรู้สึกที่ดีกับเราและในวันข้างหน้าถ้าเราเกิดไปตกทุกข์ได้ยากแล้วเขาสามารถช่วยเหลือเราได้เขาก็จะช่วยเหลือเราทันทีอย่างแน่นอนเพราะความดีของเรานี่เราทําไว้มันฝังอยู่ในใจของเขานั่นเองจึงขอให้พวกเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ส่งสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆความดีนี้ก็มีหลายหลายอย่างด้วยกันเช่นการให้นี้ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งจะให้ใครก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าเพียงอย่างเดียวให้พ่อให้แม่ก็ได้พ่อแม่ก็เป็นพระของลูกๆเป็นพระพรหเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆ ถ้าเรามีอะไรให้พ่อให้แม่ก็เท่ากับเราได้ทำบุญกับพาาระอรหันต์แล้วก็ทำบุญกับผู้ที่เดือดร้อนก็ได้ผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันเพราะคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขใจเราก็ได้บุญแล้ว การทำการให้จึงไม่จําเป็นจะต้องให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญให้กับใครก็ได้แม้แต่ให้กับสุนัขอย่างนี้ก็ได้บุญถ้าเราเห็นสุนัขจรจับมาแล้วโอดอยากขาดแคลนสู้ผอมเราให้ข้าวเขากินเราก็จะมีความสุขใจนี่ก็คือบุญแล้วความสุขใจนี้แปลว่าบุญ แต่การให้บุคคลต่างๆนี้ก็มีประโยชน์นอกจากบุญเพิ่มขึ้นมาอีกต่างกันคือการให้ไม่ว่าให้กับใครความสุขในใจนี้เหมือนกันถ้าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือถ้าเราให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับเราให้ใครความรู้สึกในใจของเราก็จะเป็นเหมือนกันให้พระเอาอาหารมาถวายพระ เราก็ได้ความสุขใจเอาอาหารให้สุนทรรับประทานเราก็ได้รับความสุขใจเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราทำบุญด้วยนี้มีความต่างกันถ้าเราทำบุญกับพระเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะได้ยินคำสอนซึ่งมีเป็นบุญเป็นกุศลมากกว่า บุญที่เกิดจากการให้ทานของเราเองเพราะถ้าเราได้ธรรมะก็เท่ากับเราได้แสงสว่างเพราะว่าในขณะนี้ใจของเรามืดบ่อยเรายังไม่รู้ผิดถูกดีชั่วเรายังไม่รู้เรื่องต่างๆที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านรู้ถ้าเราได้ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็จะได้รับความรู้เช่นจะรู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้จบที่ร่างกายนี้ คือเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วชีวิตของเรายังไม่จบคือใจของเรายังไม่ตายไปกับร่างกายใจของเราต้องเดินทางต่อไปแล้วก็ต้องอาศัยบุญที่เราทํากันนี้พาไปถ้าเรามีบุญพาไปเราก็จะไปเกิดที่ดีไปสู่สุขติถ้าเรามีบา พ, พาไปเราก็จะไปสู่อบายไปสู่ทุกขติ นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับคือบุญอีกขั้นหนึ่งบุญนี้ที่เราทำนี้มีสองส่วนบุญที่เกิดขึ้นภายในใจของเราที่เกิดจากการเสียสละการให้ด้วยความบริสุทิใจเราก็จะได้ความสุขใจ น, นี้ไปไม่ว่าจะทำกับใครก็ได้เหมือนกันส่วนบุญที่จะได้จากบุคคลที่เราทำบุญด้วยนี้ ก็อยู่ที่บุคคล น, นั้นว่าเขามีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ท่านถึงได้แบ่งคนไว้หลายระดับด้วยกันเช่นท่านสอนว่าถ้าทำบุญกับคนที่มีศีลก็จะได้สิบเท่าถ้าทำบุญกับพระที่มีศีลก็ได้ได้ร้อยเท่าถ้าทำบุญกับพระอริยเจ้าคือพระสสดาบันก็ได้พันเท่า พระสกิริดาคามีก็ได้หมื่นเท่าพระอนาคามีก็ได้แสนเท่าพระอาหารหันต์ก็ได้ล้านเท่าพระพุทธเจ้าก็ได้พันล้านเท่าเพราะบุคคลเหล่านี้มีความรู้ในธรรมะไม่เท่ากันนั่นเองถ้าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้านี้เราจะได้ธรรมะอย่างเต็มที่เราอาจจะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในขณะที่ฟังเลยเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จไปโปรดพระราชบิดาตอนที่ท่านประชวรหนักใกล้จะสวรรคตทรงแสดงทำให้ฟังจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตถ้าคนอื่นรับรองได้ว่าจะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนให้ให้พระ พระพุทธบิดานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยถ้าพวกเราไปสอนอย่างมากเราก็คงจะบอกว่าให้พุทธโธพุทธโธไปเท่านั้นเองแต่การมีการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปนี้ไม่สามารถทําให้มรุภานิพา น, านได้อย่างมากก็ทําให้จิตสงบแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นพรมได้เท่านั้นเองแต่ สวรรค์ชั้นพรหมที่ไปด้วยกำลังของสมาธินี้ก็ไม่ถาวรเมื่อหมดกำลังของของบุญนี้แล้วจิตก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วก็ต้องยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าจะสอนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องสอนให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วสามารถตัดได้หมดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดสมบัติเข้าของเงินทองไม่ยึดไม่ติดกับลูกมีลูกเมียสามีภรรยาไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายของตนไม่ยึดไม่ติดกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงจะบรรลุพระนิพพานได้ถ้าผู้ที่สอนไม่มีความรู้ ก็จะไม่สามารถสอนให้บรรลุพระนิพพานได้นี่คือผลที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยมีความแตกต่างกันเราจึงนิยมทำบุญกับพระเพราะว่าเราได้ประโยชน์มากกว่าแต่เราก็ไม่มองข้ามคนที่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับอะไรจากเขา มากนักก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ได้รับความสุขใจและบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าพระที่เป็นพระแท้นั่นอยู่ที่ไหนพระที่สามารถที่จะช่วยเราให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็ต้องทํากับคนที่เราอยู่ใกล้กับเราก่อน mm. เพื่อให้อย่างน้อยเราจะได้มีอาหารใจมีความสุขใจมีอิ่มมีความอิ่มใจ ช่นทำกับพ่อกับแม่เราก่อนพ่อแม่เราใช้ให้เราไปทำอะไรก็ควรจะยินดีดีอกดีใจคิดว่าได้ทำบุญแล้วพ่อแม่ต้องการอะไรขาดอะไรต้องรีบหามาให้พ่อให้แม่เพราะถือว่าเป็นการทำบุญทำให้เรามีความสุขใจนี่คือเรื่องของการทำบุญมีความแตกต่างกัน ตรงที่ผู้คนที่เราทำบุญด้วยนั้นเขามีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงไรถ้าเขามีความรู้มากเราก็จะได้รับประโยชน์มากถ้าเขามีความรู้ความสามารถน้อยเราก็จะได้รับประโยชน์น้อยเช่นถ้าเราให้ทานกับสุนัขอย่างนี้อย่างมากสุนัขทำได้ก็คือกระดิกหางหรือคอยเฝ้าบ้านให้เรา คอยเหาเวลามีใครมาลักมาขโมยของเรามีสุนัขเขาก็จะคอยล้องคอยหาคอยบอกให้เรารู้แต่เขาจะไม่สามารถสอนให้เรารู้จักทางไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเขินได้ดังนั้นก็ขอให้เราจงทำความเข้าใจว่าการทำบุญคือการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้นี้ เป็นบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะทํากับใครแต่จะบุญมากบุญน้อยนี้อยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเราถ้าเราทําแล้วเราหวังผลตอบแทนบุญก็จะน้อยคุยความสุขใจจะน้อยลงเช่นเราทําอะไรแล้วหวังให้เขาขอบอกขอบใจเราหรือทดแทนบุญคุณให้กับเรา แล้วถ้าเขาไม่ได้ขอบอกขอบใจหรือตอบแทนบุญคุณของเราเราก็จะเสียใจแทนที่จะมีความสุขใจเรากลับเสียใจอย่างนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำบุญแล้วเรียกว่าเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับเราไปซื้อของที่ร้านเราก็เอาเงินให้เขาเขาก็ให้ของเรามา อย่างนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขใจแต่อย่างใดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการให้โดยที่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนนั่นเองถ้าเราให้แล้วเรายังมีความหวังความต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราให้แล้วแล้วก็เราก็จะไม่ได้บุญจะไม่ได้ความสุขเราจะยังมีความอยากมีความต้องการอยู่ มีความหิวอยู่เพราะเราไม่ได้ทำเพื่อระ ง, งับดับความอยากความหิวความต้องการนั่นเองอยากแค่ได้บุญร้อเอเซอยากได้ความสุขร้อยเปอร์เราก็ต้องทาแบบไม่ต้องการผลตอบแทนเลยแม้แต่คําว่าขอบคุณหรือการทำบุญก็ไม่จําเป็นจะต้องให้เขาประกาศชื่อของเราว่าเราได้ทำบุญอย่างนั้นเท่านั้นเท่านี้ หรือว่าเวลาไปสร้างกุติสร้างอะไรก็ต้องติดชื่อของเราไว้ที่กุติอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้เรียกว่ายัางทาบุญไม่ได้ร้อเซเพราะยังหวังให้คนอื่นเขารู้ว่าเราได้ทาบุญอยากจะประกาศให้คนอื่นเขารู้อย่างนี้ก็เป็นความอยากเป็นกิเลสความสุขใจก็จะไม่ได้มากแล้วถ้าเกิด ชื่อที่เขาเขียนไว้เกิดมันจางหายไปเวลาเราเดินผ่านมาเราเห็นเข้าเราก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาเกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาแต่ถ้าเราทําโดยที่เราไม่หวังให้เขาต้องเขียนป้ายติดป้ายติดชื่อของเราเวลาเราเห็นกุติที่เราสร้างทีไรเราก็จะมีความสุขใจตลอดเวลาเพราะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นคนทำเราเป็นคนถวายเราไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นเขารู้ ไม่มีชื่อติดเราก็ไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจแต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงมีคาสอนที่สอนว่าอยากจะทำบุญให้ได้มากต้องทำบุญแบบปิดทองหลังพระการปิดทองหลังพระนี่ก็คือเราไม่ต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนจากการกระทำของเราทไม่ไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเราทาไม่ต้องการให้เขาขอบอกขอบใจเรา เริ่มมีความสำนึกหรือรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณกับเรานี่คือการทำบุญอย่างแท้จริงในสมัยก่อนนี่จำได้ว่าเวลาใครช่วยเหลือกันนี่เขาไม่ต้องพูดคำว่าขอบใจกันและเขาไม่ต้องการรับคำว่าขอบใจทำแล้วเขาก็จะมีแต่พูดว่าอนุโมทนาสาธุคือคำว่าอนุโมทนานี่คือแสดงความยินดี ต่อการกระทําความดีของเขาแต่ไม่จำเป็นจะต้องพูดขอบอกขอบใจกันเพราะไม่ได้ทาเพื่อเป็นบุญเป็นคุณกันนั่นเองทำเพื่อใจของเราทำเพื่อผู้กระทำไม่ได้ทำเพื่อผู้ผู้รับผู้กระทำนี้ได้มากกว่าผู้รับผู้รับได้รับความช่วยเหลือได้รับข้าวของแต่ผู้กระทํานี้ได้บุญได้ความสุข และบุญนี้ก็จะทำให้จิตใจสูงขึ้นดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ไปเกิดในภพชาติที่ดีกว่าเดิม น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้แทนที่เราจะขาดทุนเรากับกำไรการทำบุญให้ทานนี้จึงเป็นการกระทำที่กำไรเพราะสิ่งที่เราได้นี้มีคุณค่ากว่าสิ่งที่เราให้ไปหรือเสียไป จึงขอให้เราจงมีความเชื่อในเรื่องการทําบุญในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทําบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เราละบาปทั้งปวงและชําระใจของของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ขอให้เราพยายามทํากันให้มากแล้วเราจะได้รับประโยชน์ได้ความสุขมากจนถึง